สสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยอาเสวณัปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวณัปัจจัยสภาวธรรมที่มีอนาคพธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอนาคพธรรมเป็นอารมณ์โดยอาเสวณัปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่มีอนัตตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดฝนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีอนัตตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังหลังโดยอาเสวนาปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยอาเสวนาปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดฝนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังหลัง โดยอาเศุณปัจจัยกรรมปัจใจสามสิบห้าสภาวธรรมที่เนื้อด็ดจะทำเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีื้อดีดจะทำเป็นอารมณ์โดยกรมมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีอเด็ตจะทำเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยกรมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่ เจตนาที่ม er ีเดชธรรมเป็นอารมณ์เป er ็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีเดชธรรมเป็นอารมณ์โดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเดตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีนักพธรรมเป็นอารมณ์โดยกรรมะปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคเนกะได้แก่เจตนาที่มีเดตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีอนักพธรรมเป็นอารมณ์โดยกรรมะปัจจัย สภาวธรรมที่มีอิตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยกรมมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีอิตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยสาสหสภาวธรรมที่มีนาพุทธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีนาพุทธรรมเป็นอารมณ์ โดยกรมะรรปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที no ่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมภยุตขันโดยกรมรรปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิปากซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์โดยกมรรปัจจัยสภาวธรรมที่มีอนคธรรมเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเดจตธรรมเป็นอารมณ์โดยกรรมะปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีเดีจธรรมเป็นอารมณ์โดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่มีนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยกรรมะปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่ เจตนาที่มีอนตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัย37สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคเนกกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจะขันโดย k a r มปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ m, เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดย k a r ม a ปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดย k a r m ปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกกะได้แก่ เจตนาที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์โดยกรรมะปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์โดยกรรมะปัจจัย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 เป็นปัจจัยโดยวิคตาปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระสุทไนสามสเก้หตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอนันตรปัจจัยมีเจดวาระสมณันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระ อันยมัญยปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปญิสยปัจจัยมีเ้าวาระอเศวณปัจจัยมีสามวาระกรรมะปัจจัยมีเ้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสาวาระ อธิปัจัยมีสามวาระนัตถปัจัยมีเจ็ดวาระจจ ว, ระ ว, ะจจวระิคตะปัจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัญจจนายุทธาระสี่สิสภาวธรรมที่มีอดิตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีดิตธรรมเป็นอารมณ์โดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัย อุปาเนสยปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่มีดิจธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอนัคตธรรมเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยอุปาเนสยาปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีดิจธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยอุปาเนสยปัจจัยและกรรมะปัจใจสี่สเอด สภาวธรรมที่เมียนัคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เมียนัคตธรรมเป็นอารมณ์โดยระมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาเนสยปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่เมียนัคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เมียดิตธรรมเป็นอารมณ์โดยระมณปัจจัยอุปาินสยปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่เมียนัคตธรรมเป็นอารมณ์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 นเหตุปัจจัยมีเ้าวาระนอานอรมณปัจจัยมีเ้าวาระนอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระนันอนัตตะปัจจัยมีเ้าวาระนสมณอนตระปัจจัยมีเ้าวาระย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระโนวะิคตะปัจจัยมีเ้าวาระโนะอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระพึง น, นับอย่างนี้ปัจจนิยะจบสาม ปัจญานุโลมปัจญียเหตุทุกข์ใน๔๔ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจใจละถึงมีสามวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณอุปาเนสยปัจจัยมีสามวาระณบุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระ นอเสวณปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระย่อโนนติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจนิยะจบสปัจญยะปัจจนญาอนุโลมและเหตุทุกกนสี่สิบห้า อารามณะปัจจคำนั้นเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสะชาชตปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญะปัจใจคำนั้นเหตุปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยละถึงมีสามวาระอุปนิสยปัจใจมีห้าวาระอาเสนณปัจัยมีสามวาระ กรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจ ara, Ar ara, ara, ara, ัยม okay ีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสามวาระอัติปัจจัยมีสามวาระนัตติปัจจัยมีเจดวาระวิคตาปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้ ปัจิญาณุโลมจบปัญหาวาระจบอาีิตารมณติกะจบยี่สิบอาชตติกะหนึ่งปฏิจจาวาระหนึ่งปัจญานุโลม หวิพังคาวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามและกระตาตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นอาศัยขันสองหาทายวัตุ อาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาพูทรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปและกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้น อาศัยขันสองในปฏิสนธิณขณะขันสามในกะตัตรารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาทายวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานารูปและกระตัตรารูปที่เป็นอุ ป, ปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น อารมณปัจใจ 2. สองสภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันาสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันาสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตอนเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกตอนเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะขันธ์อาศัยหาไยวัตถุกเกิดขึ้นอธิปฏิปฏัปจจัยมสภาวธรรมที่เป็นภายในตอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทนานรูป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 อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยเป็นต้น 4. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายในตนเกิดขึ้น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 ที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอาสัญญาสัตยพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งกระตัตรูปที่เป็นอุ ป, ปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะสหชาติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะ ขันสและกระตัดตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นอาศัยขันสองหาทยวัตุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาทยวัตุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานนรูปและกระตัดตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญสัตยพรม อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งกระตัตรารูปที่เป็นอุ ป, ปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอัญญมัญญะปัจจัยเป็นตน้นห้าสภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญะปัจจัยเพราะนิสยปัจจัยเพราะอุปาณิสยปัจจัยเพราะปุเรชาตะปัจจัยเพราะอาศัยว น, นปัจจัย ปุเรชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัยไม่มีปฏิสนธิเพราะกรรมปัจจ really ัยเพราะวิบากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรียปัจจัยเพราะฌานะปัจจัยเพราะมัคคะปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอธิปัจจัยเพราะนาติปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยเพราะอวิคตะปัจจัยหนึ่งปัจญานุโลม สสังขยาวาระ 6. เหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจบสองปัจจยะปัจจนิยะหนึ่งวิพังควาระน่เหตุปัจจัย 7. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตะสมทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะหาไทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทายวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตวพรหมมหาภูต ร, รูปหนึ่ง กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทนานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุกะ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 และที่เสหรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นนอารมณปัจจัย8สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะนอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัดตารูป อาศัยขันที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็ ad สเปนสมุทฐานสำหรับเราอสัญญา ส, าสัตยพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตน klar, อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะน่ะอรมณปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูป อาศัยขันที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกะตัดตารูปอาศัยขันที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นมหาภูต ร, รูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับเราอาจารย์ยศตาพรม์ณอธิ ป, ปติปัจจัยเป็นต้นเก้าสภาวธรรมที่เป็นภายในตน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสหาชาตปัใจจัยในอนุโลมไม่มีข้อต่างกันเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตรปัจจัยเพราะณอัญญามัญญปัจจัยเพราะณอุปาณิสยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรู ป, ปาวจรภูมิอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายในตนจิตตสมุฐานรูป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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกตนอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงทําให้บริบูรณ์อาศัยมหาภูตารูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน สำหรับเหล่าอสัญญาัตว์พรมนปัจชาชาตะปัจใจสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะณปัจชาชาตะปัจจัยเพราะณอาเสวณปัจจัยเพราะณกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นภายในตนอาศัยขันธ์ที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตตุเป็นสมุทฐาน สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะณปัมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกตนอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานนวิปากาปัจจัยเป็นต้นสิบสองสภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้น เพราะน้ิปากรบปัจจัยไม่มีปฏิสนธิเพราะนอาหารับปัจจัยได้แก่ที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตตพรมสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะนอาหารปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมท <anytime S 2> ุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตพรมสภาวธรรมที่เป็นภายในตน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะนะอินทริยปัจจัยได้แก่ที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาสัญญสัตตพรมรูปปัจจิวตินสี่อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะนะอินทริยปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐาน มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอาสัญญาสัตวพรมรูปชีวิตตินรียอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณชาณปัจจัย 13. สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะณชาณปัจจัยได้แก่ที่จะหรัรคต ด, ด้วยปัญจวิญญาณที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอาสัญญสัตวพรม สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะณชาะปัจจัยได้แก่ที่สหรโครโด้วยปัญจวิญญาณที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมนมัคราปัจจัยเป็นต้นสิบสสภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะนมคราปัจจัย ปัจจัยนี้เหมือนกลับนเหตุปัจจัยไม่มีโมหะเพราะณสัมยุติปัจจัยเพราะณวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญัตตพรมสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะณวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิที่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรมเพราะโนนติปัจจัยเพราะโนวิคตาปัจใจสองปัจยปัจญียะสองสังขยาวาระสิหนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอารมณปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยมีสองวาระนอนันตรปัจจัยมีสองวาระ นาสมนันตระปัจจัยมีสองวาระย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระโนวิคตะปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจนิยะจบ 3. ปัจจายานุโลมปัจจนิยะ 16. ณนาอารมณะปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสองวาระนาวิปากะปัจจัยละถึงมีสองวาระนาสัมบยุตตะปัจจัยมีสองวาระ นวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัธิปัจจัยมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญิยะจบ 4. ปัจญยปัจนิยานุโลม17อารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระ อวิคตะปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้ปั จ, จนิยานุโลมจบปฏิจวาระจบสหาชาติวาระเหมือนกับปฏิจวาระยี่สิบอาชะตตติกะ สปั จ, จยาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยบแสภาวธรรมที่เป็นภายในตนทำสภาวธรรมที่เป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทมขันหนึ่งที่เป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองในปฏิสนธิขณะพึงทาให้บริบูรณ รรรรทำมหาภูต ร, รูปหนึ่งขันที่เป็นภายในตนทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนทำสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นภายนอกตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะมหาภูตรูปหนึ่งขันทรรี่เ<ส>ป <eyelid> ็นภายนอกตนรมอภัยวัตถุให <differences> ้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น อารามณปัจใจสิบเกสภาวธรรมทีมเ e ่เป็นภายในตนทำสภาวธรรมที่เป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระจักขุวิญญาณทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นภายในตนรำมัทยวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตน ทำสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระทำจากขายตนะทำกายายตนะขันธ์ที่เป็นภายนอกตนรมอัตยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอธิปติปัจจัยเป็นต้นยี่สิบสภาวธรรมที่เป็นภายในตนทำสภาวธรรมที่เป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัย พเพิ่มเพิ่มอาเทยวัตถุเข้ามาเหมือนกับปฏิจจวาระเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัยเพราะสหชาตะปัจจัยสหชาตะวาระพึงทําให้บริบูรณ์ทรมหาภูต ร, รูปภายหลังมหาภูต ร, รูปและขันเพึงเพิ่มอายตนะห้าและหาเทยวัตถุเพราะอัญญามัญญปัจจัยเพราะนิสยาปัจจัยเพราะอาวิคตาปัจจัยหนึ่ง ปัจญานุโลมสองสังขยาวาระยี่สิเอ็ดเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระอวิคตาปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจบสองปัจญญปัจจเนยะหนึ่งวิพังขวาระณเหตุปัจจัยี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นภายในตนทำสภาวธรรมที่เป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นเหตุกะซึ่งเป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุตุกะหาทัยวัตุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำาทายวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุฐานสาหรับเราอสศญญสัตตพรมทำจากขายตนะ ทำกายายตนะขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ SO e. ่งเป็นภายในตนทำอภัยวตถุให้เป็น mhm. ปัจจ <atisfied S 2> ัยเกิดขึ <wszystko>. ้นโมหะที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆด้วยอุทจจะทำขันธ์ที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาที่สหรฆด้วยอุทัจจะและทำอภัยวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนทำสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอเหตุปัจจัย เพิ่มเพิ่มประวัติการปฏิสนธิการและมหาภูตรูปทำจากขายะตนะทำกายายะตนะขันที่เป็นเหตุกะซึ่งเป็นภายนอกตนรำอหิยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหโรโคด้วิจิกิจฉาและที่สหรโคดุอุทะจะทำขันที่สหโรโคด้วิจิกิจฉาที่สหโรโคด้วยอุทะจะและทำอหิยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนาอารมณนะปัจจัยเป็นต้น 23และถึงเพราะนอารามณปัจจัยเพราะณอธิปติปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยเพราะนอนันตระปัจจัยเพราะณสมัันตระปัจจัยเพราะนาัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุปาณิสยปัจจัยเพราะนปุเรชาตปัจจัยเหมือนกับปฏิเจวาระเพราะปัจชาชาตะปัจจัยเพราะณอาเสวนปัจจัยเพราะนกรรมะปัจจัย เพราะนววิปยุตตาปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับวิปยุตตปัจจัยในปัจญิยะแห่งปฏิจจวาระเพราะโนนัติปัจใจเพราะโนวิคตะปัจจัย 2. ปัจจะปัจญิยะ 2. สังคยาวาระ 24. ่นะเหตุปัจจัยมีสองวาระน่ะอรมณ์ปัจจัยมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยมีสองวาระปัจญิยะจก สปัจจญานุโลมปัจญิยะยี่สิบห้าณอารมณปัจจัยกะเพรุปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจใจละถึงมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีสองวาระณสัมำยุตตะปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสองวาระโนวิขตปัจจัยมีสองวาระอนุโลมปัจญิยะจบสี่ ปัจยะปัจนิยานุโลมยี่สิบหกรรมะปัจจัยกัน้นเห ต, ปปจจตุปัจใจมีสองวาระอวิคตาปัจจใจละถึงมีสองวาระปัจนิยานุโลมจบนิจยะวาระเหมือนกับปัจยวาระพึงขยายสังสทาวาระและสัมยุตตาวาระให้พิสดาร หปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณปัจจัยยี่สิบปดสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ แล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจากสุที่เป็นภายในตนกายรูปโพธะะหาัายวัตถุขันธ์ที่เป็นภายในตนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ นนันตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพล่ดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคาจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขุฟังเสียงด้วยที่ประโสงค์ทาทัอาการสานัญใจยตนะเป็นปัจจัยเขวิญญานัญใจยตนะโดยอรรถมณะปัจจัยอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแขวินวัสัญญานาสัญญายตนะโดยอารถมณปัจจัยรูปายตนะ โหฏพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยระมณะปัจจัยขันธ์ที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุสติยานยะถาคาโมปขยานอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยระมณะปัจจัยได้แก่ บุคคลอื่นเห็นแจ้งจากสุที่เป็นภายในตนหทัยวัตุขันที่เป็นภายในตนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมณจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษุฟังเสียงด้วยที่ประสงทธาตุรู้จิต ข, ของบุคคลผู้มีความพร่างพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายในตน ด้วยเจโตปริยานรูปายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโทภทะพายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยอารมณปัจจัยขันธ์ที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยานปุเพนิวาสานุสติยานยะถากรรมูปขยานอนาคตังสยาน และอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยี่สิบ้าสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลอื่นให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามักพิจารณาผล พิจารณานิพานนิพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมัคผลและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลอื่นเห็นแจ้งจากสุที่เป็นภายนอกตนหาทายวัตถุขันธ์ที่เป็นภายนอกตนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณ์จึงเกิดขึ้น บุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษุฟังเสียงด้วยที่ประสงทธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายนอกตนด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจาญตนะเป็นปัจจัยเขวิญญาณัญจาญตนะโดยอารมณปัจจัยอาคินัญญายาตนะเป็นปัจจัยเขเนวสัญญานาสัญญายาตนะโดยอารมณปัจจัยรูปายญตนะที่เป็นภายนอกตน เป็นปจัจจัยแก่จักขรวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโพธพายตนะเป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนขันธ์ที่เป็นภายนอกตนเป็นปจัจจัยแก่เอิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสารุสติญาณยะถาคามูปัคขญาณอนาคตกตัญญาณและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูวัวทานมักผลและอวัชนะจิตโดยอารมณะปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุที่เป็นภายนอกตนหาทัยวัตถุขันธ์ที่เป็นภายนอกต น, น, น, น, กตนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิประจักขุ ฟังเสียงเรียลที่ผสมธาตมรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายนอกตนด้วยเจโตปริยญาณ ร, รูปายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณที่เป็นภายในตนโผลตภายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายในตนขันที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณ ภูเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคยานอนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยอารมณะปัจจัย